ทมาสวัสดียังเช้าเนาะพวกเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีใจสู้ดีนะ <c oughs> แม้เมื่อคืนจะนอนดึกกันนะอยู่ร่วมพิธีนะพนะระราชทานเพิงศพอ ประชุมเพลิงในหลวงราชการที่เกนะ้าเนาะเราก็อยู่กันจนดึกแต่ใจเราก็สู้นะเราก็เลยตื่นได้นะใจสู้นะมันก็ปลุกให้ร่างกายมันไหวนะแต่ถ้าใจไม่ไหวเนี่ยบางทีร่างกายก็จะไม่ไหวนะใจนะมันเป็นตัวเป็นตัวสั่ง ร่างกายเนี่ยให้ทํานั่นทํานี่นะอืมแต่ถ้าใจมันไม่ไหวละนะร่างกายมันก็จะไม่ไหวตามไปด้วยนะร่างกายมันก็ไม่ทําตามนั้นสิ่งสําคัญเนเะอยคือเนะี่ยคือเรื่องของจิตใจเนาะการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือถ้าจะว่าให้ตรงเข้าไปก็คือเรื่อง ของการพัฒนาจิตใจนะ่ะนะบางทีบางคนไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือมันคือรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะมันคือรูปแบบนะ่ะทำแบบนี้อะไรแบบนั้นนะแต่จริงการปฏิบัติธรรมจริงคือการพัฒนาจิตใจถ้าเรานิยามนะการปฏิบัติธรรมว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจนะ่ะ อะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจนะั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยนะเราจะปฏิบัติอยู่ที่นี่นะถ้ามันเป็นเรื่องของอการพัฒนาจิตใจนะให้เรียกว่ามีสติมีปัญญามากขึ้นนะ ม, มีการละกิเลสละตัวตน ได้บ่อยขึ้นอันนี้นี่ก็คือการพัฒนาจิตใจนะเนี่ยคือการปฏิบททัติธรรมแม้เราจะต้องไปทํางานนะหรือกลับไปอยู่ที่บ้านนะแต่ถ้าเราเนอเราก็ยังพัฒนาจิตใจนะในขณะที่ทํางานนะในขณะที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานต่างๆมันก็คือการปฏิบัติธรรมนะ เมื่อวานก็มีโยมโทรมาปรึกษาเรื่องเรื่องการทำงานเนี่ยแหละนะเพราะมันก็เขาก็มีความคล้ายๆ ค, ความไม่แน่ใจว่าจะทำควรที่จะเดินงานนี้ต่อดีหรือเปล่าทั้งที่ก็ ก็พอจะมองเห็นว่าว่างานนี้ยมันเป็นงานที่มีประโยชน์แล้วก็นะ่ยพอจะเป็นคนประสานให้มันเกิดได้แต่มันก็อาจจะไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องอาศัยความร่วมมือจากคนนั้นคนนี้อีกหลายอย่างคือพูดง่ายๆคือมันต้องใช้พลังในการต้องเข้าไปประสานต้องเข้าไปชักชวนไป เ, เชิญชวนให้เขาได้มาร่วมงานนี้นะ แต่งานนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพนะในการทำงานแล้วก็วก็คงส่งเสริมคุณภาพเรื่องจิตใจให้ให้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นงานอบรมที่ดีนะนะแต่ประเด็นคือว่ามันเคยทำมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้ฝหดังในการต้องไปตามไปชวนไปอะไรเยอะ ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะทําดีหรือเปล่าแต่มาก็เลยแนะนําว่าอืมมันก็น่าจะควรทํานะเพราะอย่างน้อยเนะี่ยสิ่งที่เราได้ในตอนแรกคือคือเรารัะความเห็นแก่ตัวของเรานะคือเราได้ฝึกตัวเองเนะี่ยเป็นดับแรกเลยเพราะว่ากิเลสเนะ่ะกิเลสมันมันชอบอะไรที่ง่าย ชอบอะไรที่สบายใช่ไหมเช่นเราไม่ชอบชวนคนเยอะนะไม่อยากลงแรงไปในการต้องไปชักชวนเคี้ยวเข็นคนให้มาร่วมอันนี้นกิเดตมันชอบแบบนั้นนะนั้นการที่เราทำงานที่ดูมันยากหรือต้องใช้พลังงานเยอะแบบนี้นมันก็คืองานที่ได้ขัดเก่าตัวเองนะ <c oughs> ได้เป็นการละกีเดตนะอันนี้นคือ มันเราได้เราได้ประโยชน์ตั้งแต่ตอนที่เราตอนที่เราก้าที่จะทำงานในรักนะไม่ต้องรอว่าเออถ้ามาอบรมแล้วนะมันจะเกิดประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างนะจะมีคนเข้าร่วมมากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องผลพลอยได้ที่มันตามมาแต่สิ่งที่เราได้ตอนแรกเนะี่ยคือตั้งแต่ตอนที่เรา เรากล้าที่จะเสียสละนะเรายอมที่จะเหนื่อยเราไม่ยอมทําตามความกิเลสที่มันชอบความสบายชอบความสะดวกนะไม่ยอบเหนื่อยนะอันเนี้คือก็คือการปฏิบัติธรรมนะในรูปแบบการที่เราต้องทํางานนะแต่หลายอย่างถ้าเรามองให้ดีในชีวิตนะมันมีหลายอย่างมากที่มันอาจจะ รู้สึกว่ามันไม่ถูกใจรู้สึกว่ามันขัดใจนะแต่มันเป็นการที่เราได้ขัดตัวตนของเราด้วยนะได้ขัดเก่ากยกิเลสด้วยเนะี่ยมันก็ถือว่าเป็นการปฏิบททัติธรรมนะนะเราก็ต้องดูถ้าเรารู้จักตัวเองเราก็จะเห็นว่าจริตนิสัยความคิดความเคยชินอะไรนะที่มัน เราแพ้ทางมันบ่อยนะถ้ามีงานอะไรมีกิจกรรมอะไรมีรูปแบบอะไรที่มันช่วยขัดเกลกิเลสในใจได้นะลดะกิเลสลดะตัวตนพวกนี้ได้นะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะอย่างเช่นงานจิตอาสานะบางคนเป็นเจ้านายบางคนมีฐานนะ นะในหลายๆคนก็เห็นอย่างงานในในหลวงหลายคนก็เออมาทำงานเป็นจิตอาสามาบริการมาช่วยเหลือน่ะคนนั้นะคนนี้น่คนนนะคือเท่าที่เราทำได้คือแล้วก็เป็นการลดละตัว ต, วตนลงไปด้วยนะบางทีบางคนก็มันจะมีความแบ่งแยกงานนะงานนี้ใช้สมองนะ ใช้ความคิดใช้ปัญญานะงานนี้ใช้แรงนะมันก็จะมองว่างานใช้สมองงานใช้ปัญญาเป็นงานที่สูงกว่างานที่ใช้แรงงานอะเนี่ยเนาะที่จริงมันเป็นแค่ความคิดทั้งนั้นแหละนะถ้ามันเป็นความคิดที่มันเครือบด้วยอัตราว่างานนี้สูงกว่างานนี้ต่ำกว่าที่จริงไม่มีงาน โดยรูปแบบรายหลักที่มันจะสูงหรือต่ำกว่าจริงๆแต่งานที่สูงจริงคืองานที่ขัดเกลาวจิตใจของเราเนี่ยแหละคืองานที่สูงเราจะเก็บขยะมาเป็นการขัดเกลีกิเลสตัวเองนะที่ตังเกียร์ความสกปรกที่มองว่าเออมันเป็นงานที่ใช้แรงงานสมมตินะแต่ถ้าเรามองเออมันเป็นเรื่องการขัดเกลกิเลส เนี่ยมันก็คืองานที่สูงนะการล้างห้องน้ำการขัดซ่วมการอะไรพวกนี้นะอาจจะมองเป็นงานที่สกรปรกงานที่ต่าแต่ที่จริงถ้ามันเป็นการขัดเกากิรลดในใจของเราเนี่ยมันเป็นงานที่สูงมากางานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการาละกิรดีดละตัวตนนะ ละอุปทานการยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยมันคือเป็นงานที่สูงมากการที่เราจะทําสิ่งที่ดีๆนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานที่มีคนเห็นงานที่อมันดูดีนะการทําสิ่งที่ดีนะเรา เราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้บางทีเราเห็นตัวอย่างอย่างเช่นในหลวงก็ดีหรือว่าคนอื่นก็ดีที่ท่านก็ทำความดีมากมากนะเราเองอาจจะทำไม่ได้เท่าท่านหรอกเราเองอาจจะไม่มีกำลังรับเท่าท่านไม่มออีอำนาจไม่มีบารมีเท่าที่จริงอย่าไปเปรียบ เ, เ, เทียบแบบนั้น เราทาอะไรได้เราก็ทำนันแหละพอใจในการทำนั้นแหละอันนี้นก็เป็นความดีเช่นเดียวกันนะความดีแม้เล็กเล็กน้อยน้อยนะแต่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยมันก็คือสิ่งที่น่าทึ่นชมละเคยมีความประทับใจหลายอย่างในการที่หลายๆคนทำความดีนะอย่างมีตอนหนึ่งเคยได้ไปไปที่สี่ลังกานะ แล้วก็ไปพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเป็นอยู่ในเกานะเนี่ยกลางเป็นเหมือนกึง่งใกล้ๆทะเลสาบนะแต่มันก็เป็นชายชายชายฝั่งที่มันใกล้ทะเลละอพรท่านพรท่านต้องอาศัยเรือนะไปบินทบาทก็พายเรือออกไปจากเกาะไปบินทบาทที่หมู่บ้านรอบๆเกาะขณะที่พายเรือไปนะ ก็ไปกับพระหลายรูปท่านก็พายเรือพอเห็นเห็นมแมลงเห็นมดที่มันอยู่ลอยอยู่บนผิวน้ํานะถ้าท่านเห็นท่านก็เออเอามือลงไปจับเอามาไว้บนเรือเนี่ยนะแล้วพอขึ้นฝั่งก็เอาไปปล่อยมันเป็นความน่ารักนะรู้สึกว่าแบบการที่ไม่นิ่งดูดายนะเห็นมแมลงหรือเห็นมดที่ตกน้ํา เอนะท่านก็รู้ว่ามันจะช่วยเหลือเองไม่ได้เนาะสุดท้ายก็อาจจะเป็นอาหารของปลานะของสัตว์ไปหรือไม่เป็นอาหารก็อาจจะตายไปก่อนพอเห็นแล้วก็ช่วยนะช่วยขึ้นมาอนะช่วยขึ้นมาไว้บนเดือก่อนแล้วก็ไปปล่อยที่บนบกอันนี้ยเออมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะ่นะสิ่งที่สวยงาม ในระหว่างการเดินทางนะในการภายเดือหรือของเรานะ่เนอะช่วงนี้นะมันมีหอยทากเยอะนะการที่เราพยายามระวังเนยะเดินให้เหยียบหอยทากไม่ให้เหยียบหอยทากเนี่ยมันก็คือการทําความดีแล้วนะอืมหรือบางช่วงเราเห็นจังหวะเออมาเป็นทางเดินก็ดีนะ ที่คนอาจจะเหยียบมันเราก็หยิบมันออกไปออยู่บนดินออกไปจากทางเนี่ยมันก็คือความดีนะนะความดีไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่มากนการที่เราได้ช่วยสัตว์เขาได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากอันตรายเนี่ยมันก็คือความดีละอืมมันเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ในใจเราด้วยนะไม่ใช่ว่างานจะต้องใหญ่น แต่เราได้ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีขัดเก่าจิตใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่งดงามมากนั่นนก็ให้เราดูเวลาเราจะทำงานอะไรเราจะทำสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยที่จริงประโยชน์ที่เราจะได้รับในเบื้องแรกเลยเนี่ย mm hmm. ก็คือเราได้ขัดเก่ากิเลสในใจของเรานะเราได้สะสมคุณงามความดีในใจแล้วนะ อันนี้คือสิ่งที่เราได้รับแล้วแต่ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นกับโรคนี้กับคนอื่นกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีเหตุปัจจัยอีกตั้งหลายอย่างนะเราอาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งหมดนะแต่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้อย่างเราอย่างเมื่อวานดูสารคดีนะที่เขาใช้ เรียกว่างานของพ่อเลยเนานะหรือว่าผลงานที่ในหลวงท่านได้กระทำเนะี่ยเยอะมากนะงานเด่นๆ เ, เช่นงานเรื่องการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพนะก็สิ่งที่ท่านทำก็เยอะนะออก็ช่วยให้ลดปริมาณน้ำท่วมได้เยอะแต่แต่ถามว่า มันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนไหมก็ไม่ได้นะเพราะมันก็มีเหตุปัจจัยอีกต้องหลายอย่างที่มันก็อาจจะทําให้น้ําท่วมท่านพระองค์ท่านเองก็ทําเต็มที่นะอืมก็มีแผนงานมีการกระทํามีคนไปสืบงานต่อก็ป้องกันได้มากในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันทําได้ทั้งหมดไหมมันก็ไม่ได้หรือหลวงพ่อกำเคียนท่านก็เคย พูดอยู่เสมอท่านบอกบางทีฉันก็ทำงานหลายอย่างงานรักษาป่างานสอนคนนะงานช่วยสัตว์ต่างๆนะจะได้ว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนก็งานช่วยเหลือถึงแวดล้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะแต่บางทีมันก็ไม่ได้ว่าการทำมันจะทำให้นะมันจะดีขึ้นในทันตาเห็นเนาะ ต้นไม้ก็ยังถูกตัดป่าก็ยังถูกเรียกว่าสัตว์ก็ยังถูกยิงเลยนะคนก็ยังกินเหล้าเมายาเล่นการพ น, นันนะดูถ้าดูภายนอกถ้าดูการประเมินงานนะสังคมมันก็เสื่อมไปสิ่งแวล้มมันก็เสื่อมไปนะมองคืออาจจะเป็นงานที่ท่านทำล้มเหลวนะแต่ท่านก็พูดเสมอว่าแต่ตัวหลวงพ่อเองไม่ได้ล้มเหลวนะงานอาจจะล้มเหลวก็ได้ แต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวไม่ล้มเหลวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ทำแล้วได้บอกแล้วได้ช่วยแล้วนะแต่มันก็ยังไม่เป็นอย่างที่มันควรมันจะดีขึ้นมันก็มีเหตุปัจจัยอีกตัง้งหลายอย่างซึ่งมันควบคุมไม่ได้อันนี้คือมันเป็นการทำงานแล้วก็ เป็นการวางใจไปด้วยนะนะหลายคนเวลาทำความดีแล้วท้อนะแเราทุกข์เพราะว่าวางใจไม่ถูกแต่ถ้าเราวางใจว่าเราทำความดีเพื่อความดนะีไม่ใช่ทำความดีเพื่อให้คนชมให้คนขอบคุณให้ใครเห็นแต่เราทำความดี แล้วคนที่เห็นก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่เห็นตัวเราเองน่ะที่รู้รู้ว่าทำตรงนั้นมันเปมันคือสิ่งที่ดีรู้ว่าการทำแบบนั้นแหละเป็นการขัดเก่ากิเรตในตัวเราด้วยนะการทำดีที่ดีนะคือการทำดีที่เป็นการละเกเรตนะคือบางทีบางคนไม่เข้าใจเวลาทำบุญทำสิ่งดีๆนะ แต่บางทีก็เป็นการเพิ่มกิเลส <c oughs> เพิ่มตัวตนก็มี <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคล้ายๆว่าเราไม่อาบน้ำเนาะแต่เราทาแป้งเราแต่งตัวสวยๆเราใส่น้าหอมประดับอนะไน่ะมันก็มันก็อยู่ด้วยกันได้นะแต่มันก็ไม่ใช่สะอาดจริงๆหรอก <c oughs> ใช่ไหมถ้าการทำความดีไม่ใช่เป็นการละความชั่วไม่ใช่เป็นการละกิเลสเนะี่ยมันก็ยังเป็นความดีที่ ยังไม่บริสุทธิ์นักนะเหมือนกับเราไม่อาบน้ำแล้วเราก็แต่งตัวสวยๆนะแต่งหน้าทาปากปนระะดับให้มันสวยๆแต่จริงมันข้างในมันอาจจะเหม็นก็ได้นั้นการที่เราฝึกฝนตนเองนะนะการระความชั่วนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะอะไรเป็นสิ่งไม่ดี อะไรเป็นสิ่งที่เราต้องการขัดเกกิเลนในใจของเรานะเราละไปเสียเนี่ยแหละแล้วเราก็หมันทำความดีนะเล็กๆน้อยๆทำนะที่เรามองเห็นที่เราสามารถทำได้นะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการฝึกจิตใจให้ปล่อยวางนะปล่อยวางผลที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นแบบไหนมันก็เรื่องหนึ่ง แต่เราก็ได้ทำเหตุให้มันดีแล้วนะเราปล่อยวางผลเรียกว่าทำความดีแบบไม่มีผู้ทำดีมันจะดีสี่สุดนะนะมีแต่การทำดีแต่ไม่มีเรานะเป็นผู้ทำเป็นผู้ทาดีนะมันเป็นการละตัวตนมาไปด้วยนะหลายๆเคยไปดูงานที่มูลนิธิ ชื่อจี้นะที่ประเทศไต้หวันก็มีคําสอนนะหลายอย่างที่น่าสนใจนะเพราะว่าเขาก็เน้นแบบบําเพ็ญบา ร, รมีแบบโพธิสัตว์นะแต่ก็เป็นโพธิสัตว์ที่ขัดเกลากิเลสด้วยนะเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นเนะี่ยเขาก็สอนให้รู้จักขอบคุณนการเอื้นเนี่ยก็การเอืนนะอเอ้นคือเหมือนคล้ายๆขอบพระคุณประมาณนะนะั้นคือเวลาไปช่วยคนอื่นเนะี่ย บางทีคนอื่นจะขอบคุณนะคนที่ช่วยแต่ที่จริงคนที่ไปช่วยนั่นแหละก็ขอบคุณคนที่คนที่รับด้วยนะมันเหมือนเป็นการขัดเก่าร์ตัวตนด้วยไม่ใช่บางทีเราทําดีแล้วเราช่วยเขาแล้วเราสูงกว่าเราเรียกว่าเราใหญ่กว่านะแต่จริงเป็นการขัดเก่าตัวเองด้วยว่าแม้เราไปช่วยเขาแต่จริง เราก็ต้องขอบคุณเขานะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำความดีคือทำความดีแล้วเราก็ละตัวตนนะลงไปด้วยนะรู้จักอ่อนน้อมทำตนลงไปด้วยเนี่ยมันเรียกว่ามันครบองค์นะละความชั่วทาความดีทำจิตให้บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ก็คือเนี่ยละตัวตน ระกิเลตนะที่มันจะมาแทรกในะในการทำนั่นทำนี่นะอันนี้คือเรื่องการปฏิบัติธรรมั้างนน้นเลยนะกนะารปฏิบัติธรรมนะเราอย่าติดเพียงแค่รูปแบบนะรูปแบบต้องเดินอย่างนั้นอย่างนี้ยกมืออย่างนั้นอย่างนี้นั่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอนยะ่าอืมมันเป็นเพียงแค่รูปแบบนะเพราะการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการนี่แหละการชำระจิตนะ การพัฒนาจิตใจให้ให้สะอาดให้มีปัญญานะให้ปล่อยวางนะความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะถ้าเราเข้าใจแล้วโอเราจะฉวยโอกาสในการปฏิบัติธรรมนะม เ, นเวลาเราพูดอ้อพูดแบบนี้มันเสียดสีคนอื่นมันกระทบคนอื่น ทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์อ๋อพูดแบบนี้ไม่เป็นสัมมาวาจาะเราก็งดตรงไปใช่ไหมก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะทาสิ่งนี้แล้วคนอื่นเดือดร้อนนะเราก็ไม่ทำนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมแล้ว อ, อันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างนะมองให้ถูกนะมันเป็นองค์รวมทั้งนั้นของชีวิตนะที่เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้คือคือสิ่งที่พวกเราเนาะควรที่จะปฏิบัตินะเราก็าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็มีบุคคลหลายๆบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการที่ทำให้เราได้เห็นนะว่าการทำงานนะคือการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกัน ถ้าเราสามารถนะเอาการมีสติเข้าไปในการทํางานนะมีการละตัวตนเข้าไปในการทํางานมีความเสียสละนะลดความเห็นแก่ตัวออกไปในการทํางานเนะี่ยงานเหล่านั้นนะ่ยคืองานงานที่สูงนะไม่ได้เกี่ยวกับทําทอะไรนะแต่มันมันสําคัญที่ว่าเราได้พัฒนาจิตใจนั่นแหละ คืองานที่สูงงานที่มีคุณค่ามากนะบางครั้งขนาดที่ทํางานอาจจะเหนื่อยนะอาจจะมีอุปสรรคนะแต่ถ้าเรามองว่าเออมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการที่เราได้เรียนรู้จากตัวเองเป็นการเรียนรู้ในการที่เราได้พัฒนาอินทรีย์ให้มันแก่กล้าขึ้นเนะี่ยมันก็คือ สิ่งที่มีค่านะอย่างเวลาเนะี่ยร่างกายมันปวดมันเมื่อยมันง่วงนะหรือบางทีก็มีปัญหานะความร้อนความหนาวเสียงดังอะไรมนาะคือถ้าเรามองเป็นอุปสรรคนะมันก็เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเหมือนเป็นการบ้านเป็นบททดสอบอมืมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดีนะเราก็จะได้เรียนรู้ เราจะอยู่กับเขาแบบไหนให้ใจไม่ทุกข์เอเมนะเออมันง่วงเออง่วงแบบไหนใจไม่ทุกข์นะมันก็ง่วงก็อันนึงนะกายมันง่วงกายมันเมื่อยแต่ใจเรากังวลไหมเนี่ยก็เห็นนะถ้าใจมันกังวลก็เห็นมันก็จะดูดออกมาจากความกังวล น, นะนะอันนี้คือมันก็แทนที่จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับกลายเป็น เรียกว่าเป็นบทเรียนรู้นะเป็นบทที่ทำให้เราเกิดสติปัญญามากขึ้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยนะนั้นที่จริงนะในชีวิตอนะไม่ว่าเราจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือเป็นคารวาสนะไม่ว่าเราจะอยู่วัดหรืออยู่ที่บ้านที่ทำงนานอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะมันสามารถปฏิบัติทําได้ทั้งหมดแหละนะ แต่เราจะเจอบทเรียนอาจจะแตกต่างกันนะเพราะหน้าที่อาจจะแตกต่างกันนะสถานที่ที่เจอแตกต่างกันแต่ที่จริงมันแตกต่างแค่รูปแบบนะแต่จริงมันก็ถ้ามันรู้สึกเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราวางใจไม่ถูกเราเข้าไปเป็นนั่นแหละเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เข้าใจเขาจริงเราก็เลยเป็นทุกข์นะ แต่ถ้าเราเห็นแล้วนะเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์หรอกนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยอยู่ที่ในไหนก็เหมือนกันนะเราสามารถพัฒนาจิตใจได้นะเราสามารถละกิเลสละตัวตนได้อันนี้ยคือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยนะมันก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมคนอื่นเขาทาแล้วสบายทําแล้วไม่มีปัญหาเนะี เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้หรอกนะแต่ให้เราเรียกว่าเรียนรู้กับสิ่งนี่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเราเนั่ยแหละนะร่างกายของแต่ละคนก็อาจจะแข็งแรงอ่อนแอเสื่อมไปไม่เท่ากันนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะให้เรายอมรับยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้ว่าจะอยู่กับเขาอย่างไรนะออกายมันป่วยนะ ใจมันเป็นทุกข์ไหมนะเนี่ยก็ดูไปตายมันเสื่อมไปแก่ไปเนี่ยไม่สบายแล้วนะใจเป็นอย่างไรบ้างเนะดูแลกลายด้วยแต่ก็ดูแลใจด้วยเนะียบางคนดูแลแต่กายใจวิตกกงังวลแต่เรื่องของกายอันนี้ยก็เป็นทุกข์ละก็ดูแลกลายไปอยู่แต่ใจก็ละความวิตกกังวลทําเต็มที่นะแต่มันจะอาจจะไม่ดีขึ้น ก็เรื่องของมันนยะเป็นตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจแล้วเนะี่ยเราก็หรือเรามีปัญหานะปัญหานี้ไม่ใช่อยู่แต่ที่บ้านที่ทำงนานนะที่วัดก็มีนะเนะี่ยอยู่ที่ไหนๆก็มีนะเออมันตอนแรกเราก็คิดว่าเออมาอยู่ที่วัดมาเนี่ยคนนี้จะต้องเป็นเหมือนเกือบจะ เป็นพระอริยะทั้งนั้นเลยนะถ้าอยู่วัดเนี่ยเออต้องไม่มีปัญหานะทุกคนมาปฏิบัติธรรมนะทุกคนแต่ เ, เข้าจริงๆไม่ใช่ทุกคนนะที่อยู่วัดปฏิบัติธรรมนะออมีปัญหาเ อ, อทุกที่ก็มีปัญหาในแต่ละแบบของมันนะ เ, เราจะไปหาที่ไหนไม่มีปัญหานะไม่มีนะ อ, อมีทุกที่่แหละ แต่อยู่ที่เราจะเป็นปัญหากับเขาไหมแค่นั้นแหละเราจะเป็นทุกข์ไหมเนี่ยมันอยู่ที่การวางใจของเรานะมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องความทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไปทำเองนั้นะเราก็ต้องปฏิบัติธรรมตรงนี้<อ>ปฏิบัติธรรมตรงนี้แหละอย่างอื่นนะเราก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากแต่เราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก่อนให้เราไม่ทุกข์ใจ ให้เราขัดเกลวตัวตนของเราในทุกขณะไปเรื่อยๆแล้วปัญหามันก็เป็นเรื่องหนึ่งความทุกข์ใจมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเราก็อยู่กับโลกได้นะอย่างที่ทุกน้อยลงสุขมากขึ้นนะหรือถ้าถึงที่สุดใดก็ไม่ทุกเลยนะก็มีแต่ความสุขนะสุขเพราะว่าปล่อยเพราะว่าวางนะไม่ใช่สุขเพราะว่าได้นะคนไทยไพ่นอนเนี่ยจะ คิดว่าความสุขคือการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะแต่ความสุขในทางธรรมะจริงๆคือสุขในการได้ปล่อยได้วางนะปล่อยอะไรนะปล่อยการยึดมั่นถือมั่นนะนะวางตัวตนนะระดัออกไปนะละกิเลสออกไปได้นะี่มันเป็นความสุขสุขเพราะว่าเบาเพราะว่าสบายเพราะว่าไม่ยึดติดเนะี่ยมันเป็นความสุขที่แท้จริงนะ ความสุขทางโลกจากการได้นั่นได้นี่เนะี่ยมันประเดียวประดาวไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มสักทีแต่ความสุขแบบนี้นเป็นความสุขจากการว่างจากความสบายซึ่งมันเป็นความสุขที่เราถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเราจะสามารถสัมผัสได้นะแล้วก็อย่างที่ว่าการปฏิบัติธรรมคือทุกรูปแบบนะการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการพัฒนาจิตนะทุกขณะที่เรา เห็นว่างานนั้นสิ่งนั้นที่ทํามาเป็นเรื่องการพัฒนาจิตนั่นแหละคือโอกาสในการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเนาะก็ไม่ว่าเราจะปฏิบัติในรูปแบบก็ดีนะมันก็ดีนะมันได้เห็นกิเลสเก่าๆมันโผล่เข้ามานะความคิดเก่าๆนะบางทีปฏิบัติโอ้ความคิดนั่นคิดนี่มันโผล่ขึ้นมานะหลายสิบปีก็ยังกลับมาคิดอีก เรื่องอะไรที่เหมือนลืมไปแล้วมันยังจําอยู่นะจิตมันยังจำอยู่นะมันะนะหรือบางทีเราต้องเจิญกับอารมณ์บางอย่างที่แบบถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคงเปลี่ยนไปแล้วคงหนีไปแล้วนะแต่พออยู่ในรูปแบบเออทําให้เราได้ทนได้อยู่กับได้ดูมันเนี่ยก็ดีนะปฏิบัตินในรูปแบบนี้ก็เห็นกิเลสได้ชัดโดยเฉพาะไอ้ตัวตะกอนเก่าๆของความคิดของจิตเนี่ยมันถูกขย่าออกมา หรือการทําอะไรซ้ำๆเดิมๆเนี่ยบางทีก็จะเห็นความเบื่อความเซงความเหนื่อยความอะไรต่างๆเข้ามาะมันก็ได้ขัดเกลื่อนตัวนั้นแหละอืมมันได้รัดตัว น, นั้นแหละแต่บางทีเราไปทําการงานอาจจะเจอผู้คนเจอสิ่งกระทบบ้างเออมันก็ดีเหมือนกันนะจะได้เห็นว่าจิตใจมันกระเทือนวันไหวไหมเวลาคนชมเวลาคนตําหนิไง เ, เวลาคนขัดใจ จิตใจเป็นแบบไหนหรือทำไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังนไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าเนี่ยนี่คือเราก็ได้เห็นนะออว่าจิตใจเป็นแบบไหนมีความก้าวหน้ามากน้อยขนาดไหนเนี่ยสนุกนะสนุกในการฝึกฝนตนเองนะนะถ้าเรามีความพอใจในการฝึกฝนตนเองในการพัฒนาจิตใจได้เองเนะี่ย มันจะเป็นสิ่งที่อืมมันจะเป็นสิ่งที่เราก็ทําไปได้เรื่อยๆนะพัฒนาไปเรื่อยๆนะเช่นพูดอย่างก็คือภาวนาไปเรื่อยๆนะภาวนาไปทุกคนทุกแห่งนะภาวนาเกินทั้งเรียกว่าหมดลมหายใจนะอืมไม่ได้คิดว่าจะต้องเออไม่ทํางานแล้วนะไม่ต้องภาวนาแล้วก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่นะอืมแล้วก็ทําไปเรื่อย แม้แต่ผู้ที่จบกิจแล้วท่านก็ยังต้องทาท่านก็ยังมีเมตตากรุณานะทำงานสั่งสอนช่วยเหลือปรปรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ทำนะไม่ใช่ว่าจบกิจแล้วคือไม่ทำอะไรเลยนอนเล่นสบายๆบายไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่เลยมีแต่ทำมากขึ้นเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะพอช่วยคนอื่นได้ ใช้สรรพสสารได้มีแต่ทามากนะทำแบบพอไม่มีตัวตนไม่มีความเห็นแก่ตัวนะมันทําได้เยอะมากมันมีพลังนะอะเพราะมันไม่มีความ เ, าเรียกว่าขี้เกียจขี้ค้านความเห็นแก่ตัวมาฉุดดังนะพดังในการทํางานอันนี้ยนั้นคือการที่จริงการปฏิบัติธรรมจริงๆเนะี่ยมันทําให้ เกิดประโยชน์ตัวเราเองแล้วก็ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้เยอะมากนะนะก็ฝากไว้ครับนะ